แถวนี้ผีดุผานังคอยตำนานรักอันแสนเศร้ารอคอยจนชั่วนิรันด์ภายในถ้ำที่สวยงามด้วยหินงอกหินย้อยอย่างน่าประหลาดตาล้วนมีที่มาที่ไปเป็นตำนานกล่าวขานถึงเรื่องราวเชื่อมโยงจนเกิดสถานที่สำคัญอันซ่อนไว้ซึ่งอาถรรพ์มลขลังที่ชวนสัมผัสตำนานรักอันแสนเศร้ารอคอยจนชั่วนิรันด์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 อำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่มีตำนานกล่าวไว้ว่าเป็นขององค์หญิงอรัญญาณีและนายคนองเดชผู้เป็นหัวหน้าฝีพายซึ่งเกิดขึ้นในสมัยอาณาจักรแสนหวีเมื่อประมาณแ0 0อกว่าปีที่แล้วในครั้งหนึ่งองค์หญิงอรัญญาณีได้เกิดอุบัติเหตุท้งน้ำโดยมีคนองเดชช่วยชีวิตไว้ทาให้ทั้งสองเกิดความรักต่อกันเรื่อยมาจนลักลอบได้เสียกันในที่สุดองหญิงได้ตั้งคัน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 เป็นจุดที่องคหญิงอรัญญานีหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านางคอยได้ใช้เพื่อรอคอยคนรักเทพอารักษนคราเป็นจุดที่เทวดาทั้งหลายต่างคอยปกป้องคุ้มภัยให้แก่องคหญิงอรัญญานีและพระโอรสนาคาสถิตเป็นสถานที่สําคัญอันเป็นที่สถิตขององค์นาคาซึ่งทําหน้าที่รักษาดินแดนขององคหญิงอรัญญานีงามพิศอนณงสนาน เป็นบริเวณทานน้ำจากสวรรค์ที่พระนางอารัญญานีใช้อาบน้ำชำระร่างกายหิมมพานวิ จ, จิตเป็นภาพที่เทวดาได้เนรมิตขึ้นมาเพื่อให้องค์หญิงอารัญญานีได้ชื่นชมเพื่อคลายจากความทุกโศกเนรมิตม่านแก้วเป็นม่านแก้วของเหล่าเทวดาที่ได้เนรมิตไว้ในถ้ำแห่งนี้ทานเทพอธิษฐานเป็นสั ญ, ญลักษณ์ที่ใช้แทนความรักและความทุกโศกจากคำอธิษฐานขององค์หญิงอารัญญานี